เสขาปฏิปทาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่12มกราคมพศ2547เรื่องคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสดชื่นจำมใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีในเพื่อนสาธรรมิท่านเซขะบุคคลทั้งหลายโดยร่วมกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราไม่มีมากพอที่จะปล่อยให้มันฟุ่มเฟื่อยหายไปสิ้นไปทีนี้จะตีสี่ครึ่งแล้วอีประการหนึ่งสุขภาพ มันก็ไม่พร้อมที่จะใช้งานเพียงพอต้องใช้มันเหมาะมันสมเวลาต่อจะกนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะได้พูดได้ฟังภาคเทคนิคและวิชาการตามหลักสูตรตามคลอสของเส้นขบปฏิปทาของเรา น้าอนุโมทนาสาธุการความใค่ต่อการศึกษาของท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายคารวะและบรรพชิตปีนี้รู้สึกว่าเรามากันมากเกินกว่าที่คาดเอาไว้ความหนักใจมาก่อนไม่รู้มันจะหนักใ่อะไรมันก็เลยเลยที่จะต้องหนัก กลายเป็นสบายไปเลยแต่ก่อนจะมีมีงานนี้เกิดขึ้นอาตมาผู้เป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้อำนวยการในกิจกรรมอันนี้หนักใจมาล่วงหน้ามากก็เลยทุกฟรีๆหน่อยหนึ่งหนักใจว่าถ้าสมมุติเกิดมีกัรมามากเกินกว่าที่เราคิดคาดเอาไว้ เราจะหาอะไรหนอมาเลี้ยงมาดูกันมาสนับสนุนจุนเจือความเป็นอยู่เพราะเราอยู่ในป่าห่างไกลแหล่งเศรษฐกิจธุรกิจของชาวบ้านชาวเมืองแต่เมื่อถึงวันเข้ามาเข้าจริงๆ ก็เกิดปีขึ้นมาเองโดยอนุภาพแห่งบุญแห่งธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้สมแล้วที่เราสวดเราสาธยายที่ท่านบรรจาาไว้ว่าธรรมโมกุโลกปัตนะตถาทาริธาเรธรรมนี้จะทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม ไม่ให้ตกไปในโลกที่เดือดร้อนที่ชั่วายที่พุ่นพายมันมีอยู่สองทรงครั้งแรกบุคคลเหล่านั้นจะต้องทรงธทรรมเมื่อทรงรทมแล้วทมจะกลับคืนมาทรงคนเหล่านั้นครั้งแรกละาผักกันมาม ม, มาเริ่มมาฝึกมาหัดมาพัฒนามาทรงทำ คุณค่าแห่งพระธรรมจึงต้องทรงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ของเราพอได้เป็นไปได้ก็เลยหายความหนักใจเยนนี้เข้ามาสู่ความเบาใจยิ่งมาเห็นท่านทั้งหลายเป็นผู้ขวัญขวายปักไปในการศึกษาที่แท้นี้คือการศึกษาที่แท้จริงในทางพุทธศาสนา และเราจะต้องเติมลงไปอีกให้มันเต็มมันพ่องบางสึ่งบางอย่างวันนี้คิดว่าควรจะเติมคุณทรรมคุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาให้แก่ท่านทัน้งหลายทุกคนเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเราพร้อมไหม h e n o s h making for a stand-up student คุณทำที่เป็นมาตรฐานสร้างความเป็นนักศึกษาพื้นฐานไปควรจะได้ไดรู้ได้เติมเข้าไปผมสังเกตเห็นท่านนิสิตรปริญญาโทจากมหาจุรา ของค้อนแกนเพิ่งจะมาเมื่อวานบางท่านรู้สึกว่าท่านจะมีคุณธรรมพื้นฐานประเภทนี้สมบูรณ์แบบมากเมื่อเปรียบเทียวกับพวกนักศึกษาปริยาตรีที่มาก่อนก็รู้สึกว่ายัางห่างไกลกันท่านนักศึกษาปริยาโทมีพื้นฐานแข็งแกร่งกว่าพอสมควร มาดูจากอะไรดูจากการศึกษาวันนี้ถ้าตื่นมาวันนี้เห็นท่านนั่งตัวต้องมันขยเบขึอนตั้งใจจดตั้งใจฟังนี่เกิดมาจากคุณธรรมครับเกิดมาจากคุณสมบัติของนักศึกษาที่แท้จริงไอ้นักศึกษาระบบเก่าระบบไร้สิทขา คือนอกจากระบบจัดตั้งก็รู้สบว่าจะขาดแคลนเิ่งเหล่านี้นั่งมีตหลับแต่ง่วแต่ง่วงเฉยขอโต๊ะต๊บสู่ปานกายเงาเดินหาผนตก ม, มุมปีมว ม, มเดือนกว่าน้อยังขึดนจะเดินปันเทิงและ ง, งอกเทาพระพระสาลีบท พระมห า, า, ากัตริย์บกผู้ยิบอกบาปโด่งดังมากโดดเด่นมากในสมัยพุทธกาลจานได้สัพญานามว่าเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมพระมหาเสนาบดีไม่ใเสนาบดีธรรมดาทั้งหลายทั้ธรรมดานนะจะมีมหาเสนาบดีด้วย คือหัวหน้ากองทหารแห่งกองทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่คือพระสารีพุทธท่านจะเป็นผู้ฝักไปสั่งสอนเนี่ยนำภาพสอนในการศึกษามากลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีทุก ป, ประเภทโง่ที่สดุดฉลาดที่สดุดโง่ปานกลางสลาดปานกล า, างท่านก็สอน จนที่สุดพระครับแขนที่สุดท่างจะเก็บมาผ้ามาสอนบางวันบางครั้งไปวินทบาทเห็นเด็กยากจนลูกคนจนทานหาเก็บอาหารกินเศษเมล็ดข้าวที่ชาวบ้านเขาล้างถ้วยหลังจานสาลาสาดทิ้ ง, ข, ง, ข, งข้างข้างข้างครัว เด็กคนยากไปนั่งเก็บกินทท่ลเมตเทเลเมตท่านก็ไปชักชวนมามาอยู่ด้วยมาอยู่กับหลวงพ่อไหมไอหนุ่มไปจยู่กับหลวงพ่อไหมก็ตามท่านมาท่านฝึกจะ ไ, ได้เป็นพระอรหันต์นี่คือท่านตั้งใจที่จะฝึกขาดตากนาเป็นกาลยานมิตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดบางวันเวลาท่านนั่งอยู่ ท่านจะพูดออกมาในความรู้สึกเป็นประจำว่าภิกษุใดสาวกเราใดใครต่อการศาึกษาจงมาเถิดจะมาสถิตที่กระหม่อมของข้าพเจ้าถ้าไม่มีที่อยู่ดูสิ นั่นคือความเอื้ออาทรกรุณาปานิที่มีจากจิตจากใจของอริยสาวกผู้ยิ่งใหญ่อย่างาข้าริพุทธถ้าพิสูุ์เหล่านั้นสาวกเหล่านั้นใคร่ต่อการศึกษาที่แท้จริงประกอบด้วยคุณธรรมห้าประการจงมาเถิดจะมาสถิตที่กระหม่องจงมจอมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแนะนำพร่ำสอนท่้นผูนั้น เมื่อมาคิดดูแล้วมันก็น่าน่าน่ากระทำน่าคิดถ้ามีคุณทำเรล่านี้ทุกเจาาลำบากแค่ไหนก็ตามผู้เป็นกรลยานมิตรเป็นโคบาอาจารย์ก็ควรจะทุ่มเทอย่างยิ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งแกตนเองแกผู้อื่นแกประเทศชาติแกสังคมแกพระศาสนาแกโลกทั้งโลก ถ้าฝ่ายหนึ่งประกอบก็ยิ่มไปกันได้ไปก็จะเป็นบุรณาการอย่างยิ่งใหญ่อะไรคือคุณธรรมของนักศึกษาคุณสมบัติของนักศึกษาพื้นฐานเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันทีหลังสักนิดตอนนี้อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเวลาเกี่ยวกับการเวลาซึ่งเราไม่สามารถทำเอาเองได้ มันเป็นสมบัติโดยธรรมชาติของทุกคนการเวลานั้นคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราจะใช้ชีวิตนี้ให้มีคุณมีค่าก็คือการรู้จักใช้เวลาให้มีคุณมีค่าหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันหมดทั้งโลกคุณสมบัติเหล่านี้แต่เราจะใช้ผิดหรือจะใช้ถูกจะใช้เปลืองไปอย่างไร โลกยุคปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เจริญแล้วทางอุตสาหกรรมอินดัสทรีคันที่ทั้งหลายเขาจะหนักใจมากเขาจะมีปัญหามากคือเรื่องบริโภคยกตัวอย่างอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เป็นประเทศชั้นแนวหน้า ของประเทศที่เจริญแล้วเขาหนักใจและหวาดกลัวที่สุดปัญหาใหญ่ของโลกคือปัญหาจากการบริโภคจากการผลิตการผลิตก็ดีการบริโภคก็ดีในความรู้สึกของมนุษย์คิดว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่ในความเป็นจริงของธรรมชาติคือการทำลายผลิตมาก ก็คือทำลายมากบริโภคมากก็ช่วยผลิตมากก็เพื่อจะทำลายมากเขาจึงเลือกเรียกยุคนี้ว่า disaster age form consumer society consumerism ยุคเสื่อมยุคหายยนะอันเกิดมาจากการบริโภคสังคมแห่งการบริโภคและบริโภคนิยม คือการกินการใช้การซอยต่อปัทโุที่มีอยู่ในในโลกนในในปัจจุบันนี้แต่พระสมาธรรมพรธเจ้าของเราแนะนําพร่มสอนให้เราบริโภคเป็นยิ่งบริโภคเป็นยิ่งมีประโยชน์ไม่ต้องกลัวเลยบริโภคอะไรครับบริโภคเป็นไม่ใช่บริโภคเก่งนะบริโภคเป็น บริโภคเวลาเอาฟังดูไม่ใช่คำใหม่นะคำเ ก, เก่าเก่าเกือที่สุดแหละที่เราตื่นมานตื่นมาตื่นตีหนึ่งตีสองตื่นมาเพื่อจะบริโภคเวลาให้มันเป็นพระองค์ทรงตรัสว่าอาโมคังที่ว่าสังกยิยรา อเปนะหูกเกณฑ์นาวาวันคืนที่มันผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยพวกเราจะมองประทางวัตถุ้าอามิตรสิสได้มาแต่จะต้องฟังใหม่เข้าใจต่อไป ได้อะไรครับไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยกับวันเวลาที่ผ่านไปได้คุณค่าของชีวิตคุณค่าของ จ, จิตใจคือพัฒนามันต้งมีคุณมีค่ากันมาชีวิตจะมี ม, มีมีคุณมีค่าตามการเวลาคุณค่าที่นี่ที่บอกว่าไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยก็คือให้ได้คุณค่าทาง จ, จิตใจ จิตใจนี้จะจะเป็นโมติเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตทั้งชีวิตต้องมาพัฒนาจิตใจถ้าอยากให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีงามชีวิตที่มีความสุขถ้าอยากให้สังคมนี้เป็นสังคมที่สงบร่มเย็นกเกษมสังถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจเจริญรุ่งเรืองมั่นคังโชษช่วงชาติจวารก็จะต้องมาพัฒนาจิต จิตจะจดยติโลกุโลกทั้งโลกจิตนี้จะนําไปชีวิตตั้งอัตภาโวจะสุขทุกข์จะเกิวราเอกจิตาสมายจิตาระหุสวรติขโนุชราสีติสัสนิขปังติทันติเยมรูนเตนัเตปิชีวันตินัทเวหิจิตเตหิสมัยิตา พลุมพลังไปหน่อยหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเทวดาเหล่าใดแจะดำรงอยู่ได้ถึงแปด0มื่นสี่พันกับเขาก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่ถึงสองดวงนะ เมื่อมีดวงเดียวอย่างนี้เราเราจะพัฒนาดวงเดียวนี้ได้ไหมถ้าเรามองในแง่อภิธรรมถึงแปดิบเก้าดวงเจ็ดสิบี่ถึงสองร้ยี่สเดดวง 7, 4, ถึงร้อยี่เดดว ง, ง, 120, ดวงมันก็มากดวงคงจะพัฒนายากมากแต่ในนี้ท่านบอกว่าดวงเดียวนะเตเตวเตปิชีวันตินะทะเบหิงจีเตหิงสมัยหตา จะไม่อยู่ด้วยจิตสองดวงจะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวสังเกตดูเรานั่งสมาธินี่แหละสังเกตไหมครับผมเคยบอกตงผมเหนื่อยแล้วเวลามันคิดมันคิดได้ทีละเรื่องมันไม่ได้คิดทีเดียวเป็นสิบเรื่องเป็นยี่สิบเรื่องเป็นร้อยเรื่องพิบที่ไหนแล้วมันคิดทีละอันก็คือดวงเดียวนั่นแหละไทจิบอกว่า เอกจรังจิตนี้ ม, นมันไปทิลาห น, นะเอกจารังไปอันเดียวอาสาริลังทูรังขมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้แหละไปกรุงเทพไปอเมริกาไปไหนได้หมดไปถึงดวงดาวถึงจักรวาลไหนก็ได้มันไปไกลามากที่บ่าว่าทูรังขมัง จากทุรั ง, งมังแล้วก็เอกระจรังไปอันเดียวไปคนเดียวถ้ามองภาพภายนอกนั่งอยู่ด้วยกันเป็นพันกไ็ไม่ได้ไม่ได้ชวนกันกันคิดอย่างเดียวกันมันไปของของใครของมันถ้ามองแค่เข้ามาภายในตัวเราก็คือคิดอะไรทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ได้คิดพรุ่ทีละยี่สิบเรื่องทีละร้อยทีละพันเรื่องนี่คือเอกระจรัง นี่คือไปดวงเดียวและมันอยู่ที่ไหนล่ะคูหาสยังไม่มีตัวตนดอกอัศริลังไม่มีรูปร่างแต่มีที่อยู่คู่หาสยังท่านที่เป็นต้นตำรับในการแปลพระธรรมบ ท, บทนี้ท่านยังเขียนเขียนเป็นวงๆแล้วไปข้อไปกันบอดกันผิดภลาดคูหาสยัง อาไัอยู่ในถ้ำวงเล็บร่างกายนี้ความจริงก็ถูกแล้วตแต่แต่แปลแต่ความเข้าใจกลัวว่ามันมันจะมีที่มีที่คลาดเคลือ่อนก็เลยวงว ง, วงเลาะไปคือในร่างกายนี้จริงๆแล้วมันก็แปลถกอยู่แล้ ว, วอยู่ในถ้ำสิ่งที่เรียกว่าถ้ำนนมันเป็นโพงเป็นโกนนะบันทาว่าเป็นโกน มีทางเข้ามีที่ออกเราเรียกว่าถ้ำเวลาเรานั่งสมาธินั่งกระโจนจิตอยู่ในอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มเคลื่อนไหวอยู่ในหัวเห็นไหยครับต่ไปไปมาภายในภายนอกภายในะมีการเคลื่อนไปนั่นแหละถ้ำครับในสมองของท่านนั่นแหละเป็นสนามปฏิบัติการของจิต มันมีคลื่นสมองอยู่ตรงนั้นมีเซลต่ตางๆอยู่ตรงนั้นเป็นหลายล้านตัวดังสนานบันไหวอยู่ตรงนั้นนั่นคือถ้ำท่านผู้แปลอาจจะแปลถูกตาบักสองชัดแต่การกระทำท่านอาจจะยังไม่สัมผัสคือการศึกษาของท่านม่นลงสู่ภาคเจรินะเมื่อเรามาอย่างนี้เราจะเห็นมันในหัวนี้มีเสียงดังกือก้อง แล้วก็มีการเคลื่อนไปหัวเพ่งนันมาเข้าจะแน่นแน่นในหัวเหมือนเป่าลงเข้าไปในลูกโป่งนั่นคือท่อม <c oughs> ตัวนั้นแหละครับอบ ฟ, ฟิตสำนักงานของจิตอยู่ตรงนั้นทำงานอยู่ตรงนั้นเวลาคนตายทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์เขาไม่ได้ด <c oughs> ูว่ามันตายตรงไหนเขาดูว่ามันตายหรือย่างที่สมอง ถ้าหัวใจหยุดเต้นก็อาจจะสลบไปก็ได้เลยจะฟื้นมาขึ้นมาบ้างก็ได้น่ะมันก็ว่าเขาจะต้องดูที่มันอยู่คือตัวสมองไปไกลอีกแล้วมาดูตัวคําว่าเอกจรังไปดวงเดียวถ้าเกิดเราเราคิดเกิดความรู้สึกว่าเป็นเป็นความรักความพอใจขึ้นมา ความเกลียดทางความไม่พอใจมันก็ดับไปตายไปเมื่อเกิดความรักขึ้นความชังตายเมื่อเกิดความชังขึ้นความรักตายไม่ได้เกิดพร้อมกันจึงเรียกว่าเอกแกรังพระอรหันต์พู้ทําอาสวะให้สิ้นแล้วท่านจึงบอกว่าอะมาตต์าปาถังอมาตต์บท เข้าถึงความไม่ตายไม่ใช่ร่างกายนี้มันตายหรือไม่ตายแต่หมายถึงจิตของท่านหนึ่งไม่มีสองอย่างในปัญหาไม่ินทาปัญหานะั้นที่ถามกันเ อ, เอโกนามกิกอะไรหนอชื่อว่าหนึ่งแล้วไม่มีสองนี่แหละครับจิตของอมตะอมตะจิตของอริยะชนของพระคีณาสอบเจ้า มีเป็นหนึ่งไม่ตายไม่มีสองคือจิตของท่านจะไม่ตายท่า ม, มีความรักจะเกิดขึ้นมาให้ความทางตายถ้าน ม, มีความทางเกิดขึ้นให้ความรักตายอยู่ในจิตอดวงเดียวนั้นจิงชื่อว่าอมตะอมตะจิตจิตที่ไม่ตายอมตะบอกบางทีเราเรียกวันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวอันนี้แหละครับ จะต้องมาศึกษามันอย่างยิ่งอบรมฝึกหัดพัฒนาอย่างยิ่งจึงบอกว่าสุขทุกข์าเะเกวราความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเราต้องการอะไรก็ต้องฝึกออกก็ต้องกระทําออกที่นี้ เราจะฝึกจิตจะใช้เวลาพยายามพัฒนาจิตนี้ก็ต้องมองไปที่เวลาด้วยต้องบริโภคทอนนี้พระพุทธเจ้าบอกให้เราบริโภคไป น, นะที่บอกว่าอโมคังที่วระสังกิริลาอเปนะพระคงเกณฑ์นะว่าวันคืนที่มันล่วงเลยไปอยากให้มันล่วงเลยไปโดยปล่าประโยชน์เป็นโมคะว่างเปล่าจากคุณค่าจากแก่นจากสาร แต่จงพัฒนามันบริโภคมันให้เป็นไม่ได้มากกวาให้มันได้น้อยอเปนะพงเกนวาไม่ได้มากกวาให้มันได้น้อยซึ่งคุณค่าของจิตใจเขญญาไม่ด่างจะให้ดีที่สุดมีคำใหม่ตามมาแต่แปลกนะครับท่านบอกว่าโยจะการะสะโสภูโตปัจติ สภูตะประจนึ่งประจิแปลว่าบุคคลใดรู้จักกินการบริโภคเวลาเป็นบุคคลนั้นจะเผาตันหาให้หมดไหมเหมือนมันเคยเผาเรามาแล้วเมื่อมันเคยเผาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว คงจะฟังโถกนะกินอย่างไรล่ะเขากินเวลาเราตื่นมาตื่นมาหัดมาบริโภคเวลาถ้าเรากินมันไม่เป็นมันจะกินเราก่อนก็รื้อกลๆก่อนกาโลคชติสัพพูตานิสภานิวสาตนาการเวลาย่อมกัดกลืนกินซึ่งสรสัตวะพร้อมทั้งตัวมันเอง อันนี้พูดเป็นภาพพดพวามจริงมันก็ไม่ได้กินอะไรเราหรอกมันไม่ได้กระกุกกระลิกเราหรอแต่ท่านพูดท่าเราเห็นเป็นภาพเป็นพจดเอจริงๆรงนะทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าหายใจออกมันกัดมันก่อนมันบดมันฝนให้ให้ให้หัวใจเหี่ยนให้สั้นให้เตียนใกล้ตาเข้าไปทุกที่ทุกที่แหละมันกินเราแล้วที่จะท่านที่บอกว่าให้เราบริโภคเวลาเป็น ในยุคคอนซูมเมอร์อิซึมยุคบริโภคนิยมนี่แหละเราจะบริโภคมันเป็นยิ่งกว่าเขาให้สมกับเป็นศักดิ์ศ ร, รีเป็นลู ก, กศรริลุกศานของพระพุทธเจ้าโยาจะกาลสักษาโสภูตองสะภูตาปจิเนิงปจิผู้ใดบริโภคกินการเวลาเป็นบุคคลนั้น จะเผาตัญหาให้หมอดไหมเหมือนมันเคยเผาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วและพอเรามาแล้วมหัดบริโภคเวลากันใช้มันเป็นบริโภคอย่างไรอย่างเมื่อตอนเย็นเราได้สวดเล่นพระเทกรตตะคาถาราตีเดียวก็จเจริญนั่นก็เป็นการบริโภคเวลาเป็นเป็น ศิลปะในการดำเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดตระลงชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ละห้อยหาอาดีตเม่แล้วมือเพืือพกถึงอนาคตที่ยังมันไม่มาถึงตระลงชีวิตอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เป็นการบริโภคเวลาใช้เวลามันเป็นแต่ที่ยิ่งไปกว่า น, นั้นนะครับผมอยากจะบอก ผู้ใดก็ตามถ้าเจริญสมาธิภาวนาแบบอารามณ์ปนิชชานเพ่งอารมณ์นะที่พูดพูดกันมาจนยงไงจนการไปสุความเป็นอารมณ์เดียวก็ดีหรือผู้ที่เจริญฌานแบบรักขนงปนิชฌานเห็นความเกิดความดับ ของจิตใจของอารมณ์จนสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อจิตเห็นความเกิดความดับความเสื่อมไปสิ้นไปของอารมณ์ของสัญญาของเวทนาของพิตกของสังขารและจิตมันจะอีคิลิเบียมมันจะตั้งมั่นตึงเปะ๊ะไม่มีอะไรมันบีบคั้มมันอันนี้ก็เหมือนกันในีูดถึงพูดที่จ ะ, จะเจริญฌานทางวิปัสสนา ก็กินเวลาเป็นเวลาไม่กินเราแล้วตนน้นเราจะกินเป็นถ้าผู้ใดเจริญแบบอารามนุปนิชฌานเพ่งละเอียดโละละเอียบุญจนลมหายใจนี้ดับไปสิ้นไปอาศัสปัสสาปภาวนาหน้าโหติลมหายใจเข้าหายใจออกของเธอก็ดับไปเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกมันดับไปจิต ก็จะไปะสู่สภาวะที่เป็นอันเดียวเอากาที่ภาวะที่ค่าโตติจิก็จะดำเนินไปสู่ความเป็นอันเดียวสภาวะอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้าอารมณ์มีอารมณ์เดียวมีแต่ความรู้เด่นชัดอย่อยางนั้นความตื่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความคิดไปจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีความรู้สึกอะไรไปจะรู้จากได้เองมันต้องมีใครบอก ปลาโอกินเวลามันกินอย่างนี้เวลาในขนานั้นจะไม่มีขอบเขตไม่รู้จากเช้ามัรู้จากบาบางทีในขนาดนั้นเราจะอาจจะรู้สึกว่าประมาณสักสองสามนาทีมันอาจจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ได้ผู้นี้อาจจะกลหายหาจากความรู้สึกถ้าเราไม่ไม่ไปพบมาเห็นถ้าเราเข้าไปถึงจุดนั้นเราจะรู้เองไม่ต้องถามใคร รพระสรรมทัพพุจ่าทรงนั่งประทับอยู่เบื้องหน้าก็จะไม่กราบทูลถามพระอกว่านี่คืออะไรมันรู้จักเองเหลยครับในปัจจิตังอยู่ตรงนี้เวลาตอนนี้ไม่กินเรามือแต่เรากินมันมันบีบคั้นเราไม่ได้เป็นอากาศเโกเป็นปัจจตังอยู่ตรงนี้ผมจะเล่าอันหนึ่งให้ฟัง ที่แรกของก็มัไม่ค่อยจะรู้จักสิ่เหล่านี้อ่านก็อ่านไปพระตปบิดก็จบไปเพราะอะไรยังยังไม่ได้เข้าถึงจุดเหล่านี้ผมทำความเพียรตอนแรกๆตอนนั้นยังหนุ่มอยู่อายุประมาณทั้งยี่สิบ ก, กว่าขวากลำลังบ้าๆหลังจากเลิกสนใจเรื่องเรื่องศาสนาคิดเข้ามาศึกษาพุทธศาสานาแล้วจิตใจมันจะปักไปมากสนใจมาก เรื่องการศึกษาเรื่องสมาธิภาวนาไปหาครูบาอาจารย์ได้ยินข่าวได้ยินชื่อตรงนั้นไปทั่วประเทศไทยไปร้อยอาจารย์ก็ร้อยอย่างไปสิบอาจารย์ก็สิบอย่างเกิดความสับสนเรียกว่า get confusion already งงหมดเอาอยัางไงเนาะไปหาอาจารย์หนึ่งบอกว่าพุทธโทนะ ไปใอายจานหึบอกว่ายุบหนองฟองหนองนะำไปให้อายจานหึบอกว่าสมาอาหันนะไปให้อายจานหนึ่งก็บอกว่าให้สร้างแต่วานในการเคลื่อนไหวนะไปให้อายจานหึบอกให้เพ่งเห็นรูปให้นนามนะเป็นรูปเป็นนามนะเอ๊ะมันจะเอาอะไรกับเราไปเจอเยอะเลยปวดหัวไปหมดผมก็อ่านพระไตรปิฎกไปอ่านไปอาไปก็ไปเจอเรื่องเจริญอานาปานสติกนี่เอ๊ะ อย่างนี้ไม่น่าสับสนดูแล้วไม่น่าจะยากแล้วก็ไม่น่าจะง่ายก็น่าจะพอทําได้เราหายใจเป็นมาตั้งแต่เกิดแม่สอนเราตั้อยู่ในครรเรามันตั้งสติไว้ที่เราหายใจก็เลยลองทํามีอยู่วันหนึ่งผมอยู่ริมฝั่งโขงบ้านห้าไร่ เรนี่ขึ้นอำเภอบึงของหลงบึงของหลงอาจารย์ของผมท่านมรณภาพไปแล้วหลวงปู่สิงห์สุภัทโทท่านสอนท่านสอนใ ห, ให้ดูการเคลื่อนไหวมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอย่างที่ผมบอกกัท่านในขณะที่เยินยมเขาทำอยู่แต่ยิ่งทำก็ยิ่งคิดเก่ง แต่ผมก็ไปติดอยู่อันหนึ่งขึ้นติดอยู่ในอนาปนาะนสติก่อนที่ท่านจะสอนนั้นผมอ่านแล้วผมติดอนาประนสติผมทําง่ายสะดวกผมเป็นสัตว์ที่ฝึกไา้ไม่มีขอบเขตเพราฝึกปลูกตรวเองตื่นเมื่อไหร่เวลาใดผมตื่นผมจะต้องลุกเทศสียงเจ้าของฟั อ, งอยู่เรื่อยนอนถ่าตายบลอกคสิซํานีหรือมามาอยุวะที่อย่าั้คือเพราะนอนถ่าตายอยู่เงื่อนพุ่นลุกพุ่งั้งคือว่าจะหายเจ้าของน่น คิดมันมันมันป ล, กลุกเราตัวเองก็ได้เหมือนตัวนี้มีสปริงดีเดเ ด, ด้งขึ้นมาดึงดังขึ้นมาอะไรรีบลุกล้างหน้าแห้เาไมทันมาเอามือแปะน้ำแปะแปะใส่ตาพอพอสว่างก่อนนั่งสมาธิเดินจยกงงทั้งแก้วมันคิดมากกว่าคิดอยู่ตลอดตื่นแต่ตีสองก็คิดตั้งแต่ตีสองจนถึงถึงเวลาหลับโอ้ย เหนื่อยใจหนักใจในความคิดเรายังไม่เป็นมวยยังไม่รู้จักว่าจะทำอย่างไรกับความคิดความจริงเนี่ยคือเราโง่อดอกเรายังไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักเราความคิดจะ ง, ง่ายที่สุดที่จะทําให้มันสงบลงแต่ละาคนนี้แต่เราพึ่งเราตากับปันต่อสู้ด้วยสมารถไม่เป็นมวยเลยถ้าเป็นน้ำมวยก็เรียกว่าเปิดฟ้าข้างเขาเตะกระดูกสีข้างอยู่โคมนๆอยู่ไม่รู้จะปิดจะเปิด ก็ น, นั่งต่อสู้กับอารมณ์ความคิดนะัไม่รู้มันจะหยุดก่อนคิดไปคิดมาความคิดเหล่านะั้นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจะลืมนะคิดมากเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาเลยนะความคิดเนะี่นะโพรอ้หนักใจแั่งร้องไห้เรานี้ช่างไม่มีบุญเก่งหนอะช่างอาภัพเก่งหนอะเราก็ฝักไฟล้วก็สนใจทําบุญทําทานเราก็ทําจนหมดเนื้อหมดตัว มีเงินเดินมากๆก็มาทำบุญหมดแต่ก่อนเคยซื้อเหล้ากินหมดเคยสนุกสนานในครับในบาศก์ก็เลยมาเปลี่ยนนะเลือกเอามาทำบุญดีกว่ า, ามาช่วยคนยากคนจนดีกว่าแต่บุญเหล่านั้นไปไหนหนอจึงเมื่อมาช่วยเราตอนนี้คิดไปเองแหละบ่ายแหละทุกข์อีล่ะที่ว่าบุญไม่มีบุญไม่ช่วยนั่งไปน้ำตาไหลอาบลิ้อาบหน้าไปน้อยใจ ตัแต่ตีสองจถึงถึงถึงเวลาหลับปันใหม่ตื่นขึ้นมาวันใหม่อีกตัแต่ตีสองใหม่ก็คิดอย่างเก่าหลังไหลมามือนนบิดออกมาเหมือแมลงมออกมาจากรูเป็นฟุง้งคิดไม่หยุดไมจ่จอดโอ้ยเรานี่ไม่ได้มานั่งเจริญสมาธิดอกมันไม่เป็นสมาธิสมางออะไรมันมานั่งคิดเฉยๆน้อยใจทิ่ลงททษ ลงโทษตัวเองน้อยใจมึงไม่สงบก็ช่างมึงจะลงโทษวันนี้มึงกินข้าวเขาเอาข้าวมาให้ไม่กินมองดูแล้วก็ไม่กินไม่สมควรที่จะกินข้าวชาวบ้านกินแล้วม่งรู้เขาจะได้บุญได้กุศลอะไรจากเราเรามานั่งคิดอยู่เหมือนชาวบ้านไม่ได้คิดเหมือนพระเหมือนเนรเลยไม่ได้คิดเป็นอะไคิดเป็นโอ้คิดเป็นหาก้นหาหาอะไรของเขาเนาะไม่ได้คิดเหมือนพระเลย โอ้ยจะไปกินข้าวเขาเลยเขาไม่ได้บุญดอกไม่ได้จะตกนรกด้วยซ้าดูถูกเจ้าของดูโสดตัวเองไววันนี้ไม่ให้กินข้าวและไม่ให้นอนอีกด้วยกลางวันก็ไม่ต้องนอนให้หลังถูกถูกพื้นเดินเดินจงกลมตากแดดบ้างเข้าร่มบ้างทั้งวันหนังไม่เตรียมด้วยแดดเผาบางบางับงบงับงบงับงช่วงไม่มีต้นต้นไม้ เดินอยู่ทั้งวันมันมาคิดเดินมันคิดอยู่ทั้งวันดูสิถ้าเอามาต่อกันประมาณได้สักเป็นร้อยกิโลเดินอยู่ทั้งวันเด่นแต่เช้าไปู่ถึงแต่เมืดตะวันจะตกดินวันนั้นมันเป็นเป็นต้นฤดูฝนอากาศมืดคลึ้มมามีลมมาบ้างก็มีฝนตกปอแปะมาบ้าง ทุกวันเมื่อเวลาค่ำเมืนแจะมีนกตัวหนึ่งอยู่หลังกุฏิเป็นสูงถุมพุ่งหมายอยู่ในเครือไม้มันจะเข้าหอนมันจะขึ้นนอนมันจะร้องกอกกอกกอกกอ ก, ก, กนกตัวนั้นตามภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่านกตแต่แป่หลอกจอนกจอตาห่อกไว้ในซี่ไหลตัวสีทำเเพาหางยาวๆหากินตามสมงถุม คือเขาทำวันทุ่มไม้เวลามันจะออกจากคอร์มันจะร้องเวลามันจะเข้าคอร์มันจะร้องเราเอาเป็นเวลาได้เลยถ้านกตัวนี้ร้องชื่อว่ามันมันมืดถ้าร้องตรงเช้าชื่อว่ามันสว่างวันนั้นมันไม่เห็นดวงตะวันฝนก็ตกปั้งนกตัวนี้ก็เลยเริ่มเริ่มร้องอยู่ในคอร์มีมัคงจะมืดละมั้งนกตัวนี้ร้องแล้วเราควรจะขึ้นไป ไปนั่งสมาธิอยู่ข้างบนเพราะว่าเดินทั้งวันมันปวด ร, ร้าวไปหมดตามแข้งตามขาคือมาหาเอวหาสัหลางหาต้นคอร้าวรานไปหมดก็เลยคิดว่ามันมืดมางูงเยี้วเขี้ยวคอมันก็คงจะเยอะฝนก็จะตกก็เลยขึ้นขนาดที่ขึ้นมากุทีหลังเล็กๆมีอยู่สี่เสาไม่ล้างขาวเลยกูยจะเีเวลาเอาเท้าไปเช็ดกับผ้า ภากิริวเช็ดเท้าเสร็จไม่หลังนั่งเลยนั่งในกุฏิห้องเดียวสี่เสาหนึนั่งยังไม่เสร็จนะครับก็บโนยู่ที่รามหายใจอย่างเดียดนั่นแหละเมื่อ้อาเคลื่อนตังไว้แล้วตอนนี้เป็นกบดต่ออาจารย์แต่ตามหลักพระเจ้าอานเจริญอาปาปนกสติอยู่ทุกลมหายใจ นั่งงวนขาเข้ามาจะไม่เสร็จได้ขาเดียวขาสองนี่ม้วนจะมันไม่ไม่เสร็จตึดปิดประตูหุ่ลั่นกึ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเงียบไปหมดมาดูอะไรเกิดขึ้นจิตดิด่งดำลงไปลึกมากไม่มีไม่มีการได้ยินเสียงนกตัวนั้นอีกเงียบความคิดอะไรก็ไม่มี ควารู้สึกว่าเราเป็นใครก็ไม่มีเราเป็นพระหรือเราเป็นโยมเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายเราเป็นธรรมยุทธ์หรือเราเป็นมหานิกายไม่มีมีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่ตรงนั้นจะคิดไปค้ายนองก็ไม่ได้จะคิดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่มีมีความรู้ขึ้นมาทันทีว่าอันนี้คือสมาธิอันนี้คือจิตดั้งเดิมจิตแท้จริง คือเรียกว่าจิตเตจิตตานุ่ันสิให้เห็นจิตในจิตคือจิตภายในจิตแท้จะทาปุพเพว่าจิตตังจิตดั้งเดิมแท้แท้เป็นอย่างนี้มันไม่รักมันไม่ชังมันจะไม่มีอารมณ์เอื่ยงเข้ามามันมีสภาพรู้อย่างเดียวภาษาจริงเขาเรียกว่าปุ้งซิมสองคำนภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าออริจินอลใหม่จิตดั้งเดิมจิตแท้มันไม่มีรักไม่มีชัง ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอารมณ์เบียดมาตัว น, นี้จะไม่มีเจตสฤติกรรมกระทำอะไรเข้ามานี่คือจิตแท้แทนี่คือการเข้าไปถึงจิตในจิตภายในหูจะไม่ได้ยินตาจะไม่ได้เห็นอะไรมันหลับเพราะมัเองความรู้สึกเจ็บปวดรู้รำมันจะไม่มีอารมณ์ทั้งหกแต่อรมไปอันเดียวคือรู้อย่างเดียวพอโอตรงนี้ไม่เวลาบีบคั้น สภาพอันนั้นแม่ครรู้สึกว่าไม่น่านจะถึงห้านาทีได้ยินเสียงก่อนที่จะออกมานะมันหูจะได้ยินก่อนได้ยินเสียงนกน ก, นกตัวเก่าร้องอีกกอกแกกอกแกกอกแกขึ้นมานกตัวนี้มาร้องแล้วตอนที่เรานั่งลงมวนขายยังไม่ยังไม่เสร็จมันก็ร้อง นี่แสดงว่ามันมันค่ำมันมืดแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงไก่ขันเป็นฟุ้งมาเป็นท่อๆมาและเสียงตีคกกระบากสา ก, กะมองประเทศราวก็ดังข้ามฝั่งโค้งมาผสมประสานมากับเสียงไก่ขันเสียงต่อยลิ่มมองเสียงตําข้าวสักกะลันฝั่งแม่น้ําโขงฝั่งโน้นยังตําข้าวอยู่เราก็เลยมาทบทวนนี้ มันตอนเช้าหรือตอนเย็นถ้าตอนเย็นทำไมต้องมาตําข้าวแล้วกายทำไมมาขันกั บ, กบชั้นชิดขึ้นมาเวลาชิดนี้น่าจะเป็นเวลาเช้าก็เลยลืมตาขึ้นกายเป็นตอนเช้าครับสว่างวันใหม่จากหัวค่าถึงวันใหม่มีความรู้สึกไม่ถึงห้าไรทีนี่คือการกินเวลาเวลาไม่ได้กินเราตอนนั้น ในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลโน้นพิกษูผู้เจริญฌานเมื่อเวลาจิตจะได้ดำดิ่งลงไปสูงอัปนาสมาธิเมื่อออกมาท่านจะพูด่าลักขีวัตเมอุทภาธิอัจฉรอาหารจะา ก, กาลัสคาโซภูโตสฟูตะปจิณิงปจิกโอ พัขี่ตเมอุทปาธิอัชฌะอาหารจากักกาลสักขโสปูโตสภูต ต, ตาปจิณิปจิคำพูดนี้จะเกิดขึ้นแก่พระอริยาสาวกผู้ศึกษาด้านสมาธิภาวานาตอนแรกๆเมื่อประ ส, ะพระรสบพบผานสภาวะอันนี้แต่ไม่ใช่เป็นพระอรหันนะครับเดี๋ยวไม่เป็นพระอริยยะทุกคน น, น่ะบุตรชนนี่จะเข้าถึงได้แต่ต้องตั้งแต่ศึกษาจริงๆ ลัคขีเป็นภาษาภาษาบาลีใต้กับภาษาอังกฤษอังกฤษว่าลัคกีแปลว่าโชคดีลัคขีวัตเมุทัปปะที่อัฉะโอ้โชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอในวันนี้อัจฉะแปลว่าทุเดยแปลว่าวัน น, นี้โชค ด, ด, ดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนองในวัน น, นี้ เราได้กินการเวลาที่มันเคยกินเรามาแล้ววันนี้เราโชคดีพวกเราลักขี้กันบ้างไหมื่อได้ลักขี้มากก็ลักขี้นวล น, นี่นะลักขี้นี่แปลว่าโชค ด, เดีเมื่อได้เมื่อได้เรารู้จักกินเวลากินการเราจะโชคดี เมื่อพระ อ, อริยเจ้าบรรลุธรรมทำอาสวะให้สิ้นครั้งแรกส่วนมากตามที่เราศึกษาตามประวัติมาท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องอาจจรรย์จนร้องห่มว้องให้ดีใจจนน้ำตาไหลร้องให้ขี้โม่งโกงอันนั้นอริยเยอะไม่ใช่อริยยะต่ที่ว่าพระ อ, อราหารันต์เป็นพระอรมลุนอย่างนั้นผมเคยเห็นพระ อ, อริยเยอะบางอง ประกาศตนว่าเป็นพ่ออรหันต์แล้วร้องไห้ออกอยู่ในอยู่ในทีวีเอก็น่าสงสารน่าสมเพชเปธนาไปในตัวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาครับมันจะของเนื้อวิสัยของมนุษย์ทุกคนถ้าพยายามจริงจริงลดหนักมันมันมันกระ ถ้าเราพยายามจริงๆมีคุณธรรมขอผู้ศึกษาถ้าเรียกว่า อ, อับปูจะตัน ต, ตายะสมาปโนถึงเพราะเมือ่องค์คุณผู้เป็นไข่ไม่เน่าอย่าเล่นมากมันมันจะบคางให้มันพอดีพอดีถ้าพิจัยนั้นมึงจะไข่เน่าคือไม่มีคุณธรรมมาตรฐานของนักศึกษา ถ้ารทุกคนมีคุณทําึ่งซึง่งตอนหลังมูจะอธิบายผู้นั้นจะเข้าถึงสภาวะเหล่านี้โดยไม่เหลือวิสัยล้วคับในสมัยผู้ดุการพระอาหารหันต์บางลูกเมื่อท่านตรัสรู้ม่ใหม่ท่านออกมาท่านจะพูดจะเป็นประจํานั่งอยู่ตรงนั้นก็พูดพูดาอย่างไงโอนายังอ ช, ชตโนธร ม, มูมนเชโลนาปิอภูโต โอ้ทำนี้ไม่ใช่มีในวันนี้และไม่ใช่มีมาก่อนและไม่น่าอัชฌันอะไรเลยนัทเชโลนาเปียพุตโตไม่อน่าอัชฌันอะไรเลยเป็นของธรรมดาธรรมดายัตถชาเยธามีเยัาตถกิงวิยะอาชาตาสะมภันตังมลนงังพูดรัง แต่ดูเหมือนว่าทำอันนี้จะไม่มีในโลกที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นที่ใด้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่นั่นจะไม่มีทำอันนี้นี่ท่าบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าบอกว่านเชลโลนาฟีอาพูตรงไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยแล้วไม่ใช่มีในวันนี้แล้วก็ไม่ใช่มีมาก่อนแต่ดูเหมือนว่า สภาพอันนี้จะไม่มีในโลกที่มีความเกิดความตายยัตชาเยธามีเยถตะตะกิงวิยะอนันตรมหันตรังมรณะพุท hạng ด, ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีในโลกที่มีความเกิดและความตายคำว่าความเกิดความตายในที่นี้ ไม่ใช่ความเกิดความตายทางกายแต่หมายถึงความเกิดความตายทางจิตใจที่เขาไปยึดไปถือยึดรักก็ไปไปทิ้งทางรักเกิดขึ้นทางก็ตายไปถ้ายึดความชิงทางความชิงทางเกิดขึ้นความรักก็ตายไปจากใจจริงบอกว่าอาจจะดูเหมือนไม่มีในโลกที่มีความเกิดและความตายแต่มันเป็นของธรมธรมดาธรรมดาไม่น่าอัศจรร ที่ว่าทุกองก็จะเข้าถึงอันนั้นคือคือพระอระหันต์แท้แต่ถ้าไปร้องของปลงให้ที่โมกบกองทิ่ว่าจะเป็นพระอรหนในความรู้สึกของผมนะเห็นแล้วหน้ า, ห น, าหน้าสมเพศเวทนาอย่างยิ่งหน้าสงสารด้วยซ้ำไปอันตัวนู้ก็ร้องให้ได้นะครับถ้าตัวตัวกินเวลาที่ผู้เมื่อกี้เนี่ยออกมาบางคนในสมัพุทธกาลก็เป็นพระโคทีก่กับ เข้าไปถึงอั ป, ปนาสมาธิฌานอย่างนี้เข้าไปถึงฌานได้แบบได้พัฒนาถึงระดับเจตุตฌานปฐมฌานนี้แหละไม่ต้องเจตุตฌานดอกท่านเสียดายเพราะมันคาดเคลื่อนได้มันมันเปลี่ยนแปลงได้มันจะกําเริบเรียกว่าเป็นกุปปาธรรมโมเป็นธรรมที่ยังกระเปลก้งถ้ามีอารมณ์ใหม่มันกระทบกระเทือนเข า, ามันก็จะกลับคืนมันก็จะมันมันไข่ ย, ยัไม่หายไปกินของผิดสําแดงก็ฟื้นขึ้นมา ตามก็รู้คือเลยก็มาจากกักเก่าท่านก็เสีย ใ, ใจ